อเ่า่านไปรักศีลก้าวายปก่อยง่าย I'm g n t e kamu uh -huh. โอเคครับ พ่อพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับปีนี้ก็เป็นปีที่พวกเราร่วม่กันทำบุญกุ้งข้าวใหญ่วันนี้ก็จะร่วมทำการถวายขขา น, นะครับขอริเชินทุกท่านปนมเอินะครับนโมทาจบครกันนะครับนโมตาสั สัมโพธาสานโมาสสาภะกวะโตอละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสาว่าตามนะครับอิมานิมายังพันเตพันยานิปัจเจยานาณิสัพพิวารานิ ภูตสังคัสสะโอนุชยามะสาธุกโนพันเตวิภุตสังโขอิมานิธันญาณิปัจเจยะกันานิสัเปริวาณิปฏิคทันหาตุอัมหากัง ทีครัตตังมิตายักสุขายักถ้าแป่พระสงฆ์ผู้เจริญถ้าพระเจ้าั้างหลายขอน้องถวายข้าวเปลือกกับทั้งจตุปัจจัยและบริวารั้างหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอประสุมม์จงรักข้าวเปืือกกับขั้น บ, บริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายต่อท้นกาลนานเทิรน เอาเปล่าสอบบอกว่าห้าเปล่าพันห้าร้อยหกสิบหกสอบตัวใหญ่ล่วงบอกว่าเป็นประวัติได้เกิดประวัติได ก้บว่าประจอบจะถูปัจจัย6กห4กบ่าท <c oughs> งเพาะโครงการพุทธสมามากระอาษาที่อินทรักาใจแลเรก็ แมื่อวั น, มมนทุลนเลวันสมุนทรขุมงูนอรเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นหนึ่งหมื่นบาทกอสมศักดินน์เทวีวันครอบครัวบริจาค จิุปัจจัยสมทบทัวมูลนิธิหลวงปู่ีมหาวีโรจำนวนนึ่งแสนบาทอืมใช่จิตุปัจจัยทั้งข้าวปัจจัยอข้าวควรมนธรรทานหลับต่อไปทำบุญที่ม่ได้เรกทำบุญจะบอกทำบุญจะก็นังไปสนใจทำกันอยู่ จะโกหกเกินเร่งกับบ้านทำบุญปีใหม่กลับบ้านทำบุญปีใหม่หัวกลับบ้านทำบาปปีใหม่เทวดาเทพบูชแช่งเทพบมีรบางคนบางกลุ่มแชงที่ไหนก็ควรประสาขระเจา้ า, า, าทีเทวดาขราเจ้าหลังเสริมมติพระวนาพรไดกระทวงวัฒนธรรมเพื่อเปลียนกันนั่น ไปถึงบ้านถึงเมื่อผาพีนอนำข้าวบุมกันเด้อนำเปิ่ลผ้ายใมแจเขออ้อนันาทัพกับบ้านกินเหล้ากินยาคากันตีกันเด้อทั้งสสิไปท้าวบุญบม่ดีพปิ้ลผาของพุทเจ้ากระไรับ้วก็เสกหัวนอใส่บ้างคนกับมือผัวกับมือใส่นำตัวตรงรัดตา เราลับตาเห็นนั่นเห็นนี่มลกเป็นกระกลงกระนมงกระาบือเกาลงกแนวไ่ได้ซื้อถามผ่าใดานกรุ้าไ่ยังไหนจเนใจยังไหนจะเห็นใจเห็นใจก็บครอตัวร้อใจ แต่โดยมีล n ไวใจไวใจร่างกายปวดนดลลตั้งสิดีๆเนลกน ผยว่าถอดถอก็ตีออกมาได้เซียนิ่กพอไปโครนาคุมูซันโอเคก็ต่อไป ย้อนท้อนผ้าสีกับโัเดนผ้าสีแพแจะเกียนว่เป็นต้องร่งาเราก็อร่มเงาเราถึงว่ามีผ้าสีาสสมาบุน่มบ้านเ <c oughs> นี่ยน้อพ่อเขายาบ้าให้ดีกครับเวลาตรากที่จมูกตะก็าวเทาเมื่อ ที่ก้มจุกต่อไปทั้งหลาี่ตอนนี้เองเมาเนาเมาอายุหายจีนเมาหาในตสยจนกันยากตนนวหมาเมาต่อไปมาขาดพอดีแม่ขาดีขาดนอกขาดียังเตยยังมันนึ่งพื้นหัวเดีจากขาดหัวแม่ใหุ้ผดีจากขาดเนี่ยแล้วก็ไปทำบุญทำบุญใต่ะทำบุญแต่ละราบวกบวกทำบุญ ย่อก็มีการต้นหาในทีบ้านใ้ป่าในปาก็ว่าท้องถิ่ีกเจะออกก็จ้ามว่วนึงม่กลัวได้ถามเพือนหน้าผ้สวยก็ได้เราคู่ได้ภาพมีความจะได้บิคาดฟังพังบอก ก็อาจจเวๆเลวๆเลยเว้ไ <oui> ด้วม <c oughs> ันขอาใจกันกลเข้าใจไม่แตก็บอหลายรอกบหายผมได้เห็ดที่เขาแล้วก็บอกทกคนว่เศร้าบอกเคียร์มาเบิ้องานสานรวมมิตรกีริบดีของกินเหล้านีงดีมันนั่งว่างไรกไป ไปหมดเลยออกไปอาอีกทุกทื่ไทุกข์ลกับใจร่างกายนี่ทุกข์แค่ไหหามาเรียกแค่อยากขึ้นเกากระเทาะขึ้นเกากรแกงขึ้เกากรเทียมขึ้นเกากรตายขึ้เกาเวลยิ่งูยิ่งจได้เรต้องระพาดราของคุณทเจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็จะยังพระ ้เส้ยพระพุทธ เ, เจ้าอยากว่าพระพุทธ เ, เจ้านิสัยพุทธเจ้าอยู่เรืหัวใจให้พุทธเจ้าจะได้เรื่อนนหัวใจให้งูงูปลางูบุญให้งูสวรรค์ให้งูนั่นโลกากได้ทุเมือสวรรค์ไมอกนร่กไมใจพุทธะแปลว่าพุรู้โลกก็มีทูตูกแกงโล ก, โลกประกปรูของโลกมันบุญไป เป็นไปดความรักความโลภนะพูดว่นั่งมาแล้วโลรักโลภนะสถานไหนว่าใจแบบนี้มันบูบู้ีรักนีโลภนี่แต้มบุญโน้ตขอล่วงบอกสบายตัวผมบอกว่านั่งทหานุ่นเรื่องอรวัดคือไน่ยกันเอาความได้บ้านพั ลาสอนโน้นน่ะก็ได้สอนพระี่นี่แหลถ้ากดอาหารพอสได้ขอพระสรรพอเท่าโลกก็ได้เกียใติพระขึ้นเปนบาปเพรว่าพอะพุทเจอนุญาตสาแ้ยได้อาหารพอสพพอย่า น, ะ น, าาานแล้วรีบกลับวัดกลับสถาทีเหมือนพระพุทธเจ้าปนตถาคได้กลับตัว พระก็จะเจ้าสวยเหนพัฒนาารผูคเจ้าไม่ตัวไม่วางหเห็นว่านั่ะปา่าพิเปาพิเศษไรพรมีเรื่องของหลายอย่างหนึ่งไม่ไมีสองอารงณ์ยังเดียวก็บมีสองจะสบาย ใ, ใ, ในเพิอ่อนเนี่มัาใจลมเข่าลมบอกลมข่าเห็นลมเห็นใจบอว่ า, ววาม่มีอะไามเด็กโเคไม่ต้องถามใ จ, ใจเป็นเชไรเป็นเช่เปียนใจเด็กใจเพื่อนล้มผู้โม้ยก็เห็นเห็นใจเ่อนตาเมือไรทตาไมเอาเาาล่ตาหน้นรกเห็นลยเห็นสวยาเห็นลำดุยเกิดแล้ว อยากล่อวยเห็นสวยาก็เกิแล้วพออยากามือว่าความอยากัความเกิดเกิดความอยากัเกิดความอยากเกิดีเกิดีแ่ีเ็บีตายีเกิดีแ่ีเ็บีตายีบบอวกาลบามาขอลบาลบาของทเจ้า นางโรงาบลท้งโลกสามงตัวไรกรักษาคนป่อยตายนี่บอก่สางโรงาบารักษาคนป่อยตายซอยู่มึงพ้นกักเบเกษตริูใสบัดจะเกกพิมจัตุค่าคนว่าโรงพาบาไม่ดีม็นะวันี้ปัญหาตัวเรา ล, ลูก ว่าเราเปดก็กคอพอขอจะเทีย่ยวด้วยปัญหาเรืองหงปูเหลือคาใจใจสักผมว่ามันพออ้อคือกันมึงบริาาหารก็คือกันไม่ก่อใจเด้อหือว่ามหาหลวงปู่ก็ไม่ได้เราใดก็ไม่ได้เราให้ว่างปีไหมนั่นเนี่ยบริวารงามจิตเราดดูกัเทาก็ วิจยที่คาดปรมันพยายามหาพยายามเจ็บแต่แต่ขาดการใล้เมื่อพอใส่ได้ก็ใส่แน่จะไปหาตะไคร้แดงหลายยิ่งพอได้เมื่อแสงเขาเั้นจะไปหาไตาหลายหลายลางหลาย นีสติปัญญาของสิ่หาขอของนี่ของท่อนของนีของได้ก็ยินดีกับของได้คลอยใจกับของมีอย่าดจากคำว่าพอเพียงนะี้คุกเพาเพเพียงินก้นแก้มเสร็จี่หอนันพราเพาใจได้ยี่ห้อนี้พราะาใจือต่ื่อรามาหาพราเาใจหาพราพราิเลสที่กำบินมาบินหา บทของพระเจ้าสอนเลยว่าจมาเกิดมาแกมาเกี่ยมาตายคือว่อยากไปนะนึกว่าเสียพระพเจ้าเ่ยเสียาลวงพรอคนเราเนี้ยคุพระพุทเจ้าคงร่มเขาลมหอาเกิดว้านไหนอ๋รทำยอรักษาผู้ปฏิบัติธรรมบุญย่อดคุ้มครองผู้ทำบุญไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากเข้าใจข้อนี้เหตุตามข้อนี้ได้ไหม มื่อเห็นน้ำข้สองของพระเจ้ามันก็ไม่ด้ทุกข์ยากลบากก็ไเหตแต่น้ำเกลี่ยไ่ได้ซื้อในื้อรูปปูก็ยจัไอาหารใจไม่ได้ื้อสังขารน้ำายดูสิเมื่อวานก็บอกตั้งสองแถวนั้นมันเกิดตั้งสองแถวสามแถวก็ได้ ของแถวพ่ออยู่ฝั่งนันแถวเรงกนั่แต่มันจะพ่อวาควกันด้วยหรือว่าเนี่อใ้จาล้หลังบอกเก็บกระโถนก็เก็บกระโนมันอียงเอียงไปเร้าโล่นะบังคับยึใจอ่มาจากบังคับไรกอยตามกลเยดแต้ตัวใช้จาใหญ่ป็นเด็กแต่ไปบ้านดูแลทิ อยากใหรู้จักคำว่าพอเพียงอยากรู้จักพอเพียงก็ไม่มปัญหาหรอทำบุญให้เตือกันเข้าใจคำว่าทำบุญบอกให้เข้าใจคำว่าทำบุญอาหารใจทำทานมีแต่เสริมกิกเลสนะใจมีบุญใจมีสมาธิใจมีปัญญามาตระเวกอยู่ที่นี่ ตัวกรอบรูปในวามสังขารเรียกว่าปัญญาสังขารภาย น, นอกสังขารภายในรู้จักสังขารภายนอกไหมสังขารภายนอกคือร่างกายก่อนนี้มันเกิดมันแย่มันุูมมันแตกแยกแล้วแก่เก็บตายไปเที่ยงสังขารภายในคือใจใจฟุแตก อ, อ, ยยย อ, ยอยากรดำอยากรวยอยากสวยากนำอยากมแตกอยากวิ่งตามข้อฟูมแตกไม่ที่สุขดข้อฟูมแตกของอธิชา หยุดปุ่งแต่งให้เกิดวิชาอภิชากับวิชาที่แตกต่างกันให้เกิดวิชาคือความรู้หยุดปุ่งแต่งก็คือดูลมเข้าบังคับใจไม่ให้ผู้แก่ให้เกิดสติปัญญาพ อ, อลูกไปคนโรกคนปวดคอน้องไปสิ่งใดทําให้ใจเรือดร้อนวุ่นวาสิ่งใดทําให้คนอื่ น, น, น, ดนเดือร้อนวุ่นวายและตนเองตัรู้ ไม่มีโกงไม่มีหลอกลวงไม่มีทิ้นปอดฟกสงสารคนอื่นรอบไม่ทำดุดนี้ใจไม่มีปัญญามีแต่โลภมีแต่ปอดมีแต่อิดฉาทิฏฐยาพันธบาตรอาฆาตอยากให้เข้าใจด้วยนักมุ่งสวเราควรจะเกียวมิตกว่าท่านสิที่น้องสกลยทั้งกายเสียสลัมาทั้ไกาเสียสละมา้าออกันแนยอาสิพี่น้อง เราดสา ท, ทานทำบุญปีใหม่ความหมายก็ได้ทำทานด้วยได้ทำบุญด้วยให้รู้จักเรื่องทำทานอาหารกายทำบุญอาหารใจให้เข้าใจจุดนี้ว่าอาหารใจอยากให้มากๆากอยากให้ให้อาหารใจมากๆเพื่อจะได้มีความรู้ว่าบาปคืออะไรนรกคืออะไรสวรรค์คืออะไรบาปคืออะไรบุญคืออะไร ไม่ต้องไปถามคนอื่นถามในหัวใจเราสวรรค์เป็นยังไงนรกเป็นยังไงให้ก็จะด่อไปแล้วที่นี่พระดูสวรรค์พาดูนรกเอาไปนั่งดูถ้าอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าวาคุยกระเจ้าพกระทพูคุณปจะ้สิทธ์กับสิทธรรมรกับรรมัน์กับธรรมพุทธวิปสสุทธวิปัสสุทธาอุตตรเดชจารุละศีลพิณห มีกคนุกคลทุกกายทุกกายเป็นธรรมวสุสบายตลอดปลอปัจจนาที่มันน่ดกันนาพอนก็ดีจงสาเร็จจงสาเร็จสมดความปรารถนาจงทุกข์ทุกข์ก็ตาเดินฮัลโหล